ท่านก็มาเห็นเปนรตพระมหาพระโมกคลาท่านก็ยิ้มโอ้ทําไมใช้กรรมขนาดนี้เนาะเปรตนี่นะพระลักษณะที่เป็นปัจฉิชมณะคือเป็นเพื่อนกรว่าท่านอาจารย์โมกคลาทําไมท่านยิ้มด้วยเหตุอนันใดเนอครับพระโมคคลาบอกว่าให้เราให้ผมไปถึงสํานักพระพุทธเจ้าก่อนนะจู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก่อน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 หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยการกระทำของเราก็ดีเรายินดีให้ขอกราบครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนที่ว่าหลวงพ่อทำจุดไหนที่มันไม่ถูกต้องที่มันเกินไปโดยไม่เจตนาเจตนาเนี่ยคิดว่าไม่มีที่จะเหยียบย่าองค์นั่นองค์นี่หมู่เพื่อนคนนั่นคนนี้เราก็ทำตามที่ว่าทิ้งไหนที่มันจะถูกต้องเป็นธรรมที่สุดในงานขององค์ลงตา